วิธีที่สองพิจารณาโทษของความคิดการจะควบคุมความคิดไม่ให้เป็นเหตุให้เกิดโทสะมีวิธีอยู่ว่าให้พิจารณาโทษของความคิดให้เห็นว่าความคิดที่นำให้เกิดโทสะนั้นมีโทษอย่างไร เมื่อพิจารณาจนเห็นโทษของความคิดเช่นนั้นชัดเจนใจก็จะสลัดความคิดนั้นทิ้งท่านเปรียบเหมือนหนุ่มสาวที่กำลังรักสวยรักงามยินดีพอใจประดับตกแต่งร่างกายด้วยอาพร อ, อันงามเมื่อซากอสุภะเน่าเหม็นไปคล้องคออยู่ก็ย่อมสลัดทิ้งซะทันทีด้วยความรังเกียดอันที่จริงแม้จะพิจารณาก็ย่อมจะเห็นว่า ความคิดที่จะนำให้เกิดโทสะนั้นมีโทษมากมายต่างๆกันทั้งโทษหนักและโทษเบาความคิดที่จะนำให้เกิดโทสะจะเรียกอย่างง่ายๆก็คือการคิดไปคิดมาจนโกรธนั่นแหละคิดไปคิดมาจนโกรธแล้วมีโทษอย่างไรบ้างพิจารณาตรงนี้ทุกคนเคยคิดไปคิดมาจนโกรธมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นและทุกคนก็คงเคยได้รับโทษ เพราะการคิดไปคิดมาจนบรรดาโทสะหรือเกิดความโกรธมาด้วยกันแล้วมากบ้างน้อยบ้างและตะกรณีการตีรันฟันแทงที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอมีสาเหตุมาจากความคิดที่นำให้เกิดโทสะมากกว่าอย่างอื่นตัวอย่างเช่นเห็นคนหนึ่งมองหน้าใจก็คิดไปว่ามองเพราะดูถูกเพราะจะท้าทาย เพราะเห็นตนอ่อนแอคลาดถ้าโทสะไม่ทันเกิดรุนแรงในขณะนั้นแยกทางกันมาแล้วกลับมาคิดถึงต่อไปอีกยิ่งคิดก็ยิ่งอารมณ์ร้อนขึ้นทุกทีจนถึงจุดที่เรียกว่าเกิดโทสะเลยไปถึงต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นการกระทำทางกายตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นโทษเกิดขึ้นคือเมื่อปล่อยให้โทสะเกิดขึ้นเต็มที่เพราะความคิด ความคิดอันเกิดจากโทสะอีกต่อหนึ่งก็จะพาให้กระทำกรรมต่างๆเช่นทะเลาะกับเขาเป็นอย่างเบาหรือชกต่อยทุบตีจนถึงฆ่าฟันกันแม้ว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะบาดเจ็บหรือถึงตายไปก็ตามฝ่ายที่ปล่อยให้ความคิดดําเนินไปจนเกิดการบันดาลโทสะเช่นนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับโทษจะต้องได้รับโทษเหมือนกันทั้งโทษอันเป็นอาญาของบ้านเมือง และโทษที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเองเพราะแน่ละ่ะเมื่อก่อเรื่องร้ายแรงเช่นนั้นให้เกิดขึ้นแล้วผู้ก่อจะต้องเดือดร้อนทั้งใจด้วยมิใช่เดือดร้อนเพียงกายเท่านั้นยิ่งกว่านั้นหาได้เดือดร้อนแต่ลำพังตนเองไม่ผู้เกี่ยวข้องเป็นมารดาบิดาญาติพี่น้องทั้งหลายย่อมต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย แต่ถ้าหากพิจารณาความคิดของตนตัแต่เริ่มแรกทำสติให้รู้สัแต่ต้นว่าความคิดเช่นนั้นแม้ปล่อยให้ดำเนินต่อไปผลร้ายคือโทษจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็อาจทำให้เลิกคิดอย่างนั้นได้แต่การมีสติพยายามยับยั้งความคิดเช่นนั้นอาจจะไม่เกิดผลทันทีคือบางทีพอเริ่มจะเกิด จะห้ามให้หยุดคิดทันทีไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมแพ้รักษาสติไว้พยายามใช้สติต่อไปจะได้ผลในจุดหนึ่งก่อนที่จะทันเกิดโทษเช่นความคิดดำเนินไปจนถึงที่ว่าจะต้องไปฆ่าผู้ที่เป็นต้นเหตุเสียสติจะชี้ให้เห็นโทษว่าฆ่าเขาตายเราก็เหมือนตายด้วยเพราะอาญาของบ้านเมือง ที่จะลงโทษผู้ร้ายฆ่าคนตายนั้นรุนแรงการต้องเข้าไปถูกจองจำอยู่ในคุกในตารางนั้นน่ากลัวไม่ใช่น่าสนุกชื่อเสียงเกียรติยศจะหมดสิ้นจะดูหน้าผู้คนได้อย่างไรเมื่อพ้นโทษแล้วจะอยู่อย่างไรมีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็จะต้องมาพลอยได้รับโทษเป็นทุกข์เพราะการกระทาของตนด้วยคิดลงไปให้ลึกลงไป ให้เห็นชัดเข้าไปเห็นภาพความทุกข์ร้อนน่ากลัวน่ารังเกียจที่จะเป็นผลของสิ่งที่คิดจะทำแล้วความคิดนั้นจะหลุดพ้นจากใจเหมือนคนหนุ่มสาวผู้รักสวยรักงามสลัดซากอสุภาสสงกลิ่นเน่าเหม็นให้พ้นจากคอตนฉะนั้น ยังมีตัวอย่างการพิจารณาให้เห็นโทษของความคิดอันจะนำใหเกิดโทษอีกมากมายจะพิจารณาย้อนไปดูเรื่องราวที่เกิดกับตนเองหรือกับผู้อื่นแล้วก็ได้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาแต่เรื่องเฉพาะหน้าที่จริงผู้ฝึกพิจารณาย้อนหลังไว้เสมอเมื่อเกิดเรื่องเฉพาะหน้าจะมีความสามารถในการพิจารณาได้รวดเร็วกว่าผู้ไม่เคยฝึกพิจารณามาก่อนเลย จึงควรอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการจะควบคุมความคิดไม่ให้นําไปสู่ความเดือดร้อนเพราะการบรรดาลโทสะจะต้องฝึกพิจารณาโทษของความคิดที่ตนผ่านมาแล้วไว้ให้เสมอจนแลเห็นถนัดชัดเจนและจนแลเห็นได้รวดเร็วทันเวลาไม่สายเกินไปจนต้องได้รับโทษเพราะโทสะที่เกิดจากความคิดสก่อน